พระธรรมเทศนาเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยแก่ชาวโลกอาสโภโดยพระมหาชินวัตรจักกะวโรในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาเรื่องในวาระครบรอบแห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้วันที่28พฤษภาคม ถึงหนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2555นหณโถงอาคารหนึ่งรปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลสิริดาษนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโชมนุสสะปฏิลาภกิจชังมัจจานชีวิตังกิจโชตธรรมะสาวนังกิจโชพุทธานโมปาโตติ ขอเจริญพรท่านประธานผู้สดับพระธรรมเทศนาและก็เจ้าหน้าที่ตลอดถึงญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกวาระหนึ่งในการจัดงานฉลองพุทธยันตีณนะโรงพยาบาลศิรราชของเราซึ่งได้กำหนดหัวข้อ ให้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยที่จริงแล้วความจริงก็มีหลายอย่างซึ่งสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็มีสองอย่างด้วยกันหนึ่งสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติเป็นความจริงที่ชาวโลกยอมรับกันสมมุติกันขึ้นมาบัญญัติกันขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกัน เพื่อใช้สื่อสารใช้สื่อความหมายร่วมกันใช้เป็นสั ญ, ญลักษ์ร่วมกันเช่นคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คนนั้นคนนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างตลอดถึงสถาบันหน่วยงานองค์กรสถานที่ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความจริง เช่นโรงพยาบาลก็เป็นความจริงว่าเป็นสถานที่รักษาอาการป่วยไข้ของคนของสัตว์ก็เป็นความจริงนี่เรียวเป็นความจริงโดยสมมติความจริงที่ชาวโลกของเรากําหนดกันขึ้นมาสมมติกันขึ้นมาและใช้เข้าใจร่วมกันในสังคมนั้นๆแต่ว่าโดยความจริงที่เป็นสภาวะ เป็นธรรมะนั้นก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสภาวะสัจจะคือความจริงโดยสภาวะเป็นความจริงแท้ซึ่งเป็นความจริงสากลไม่ว่าสังคมไหนไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนหรือไม่ว่ายุคใดสมัยใดความจริงนั้นก็ยังมีอยู่ยังปรากฏอยู่ซึ่งต่างจากความจริงโดยสมมติความจริงโดยสมมตินั้น พอเปลี่ยนไปอีกสังคมหนึ่งไปอยู่อีกมุมหนึ่งของสังคมของโลกความจริงนั้นก็อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เช่นโรงพยาบาลประเทศอื่นก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้คำว่าพ่อแม่ประเทศหนึ่งสังคมหนึ่งก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งคำว่าครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ชายหญิงแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็จะเรียกชื่อแตกต่างกัน ตามสมมุติของสังคมนั้ น, น, นส่วนสิ่งที่เป็นสภาวะสัจจะเป็นความจริงอันประเสรฐนั้นถึงสังคมจะเรียกชื่อเป็นอย่างไรก็ตามแต่ความจริงนั้นก็ยังมีอยู่นี่เราเรียกว่าเป็นสภาวะสัจจะหรือเรียกว่าปรมาทสัจจะความจริงแท้ความจริงอันประเสริฐความจริงแท้หรือความจริงอันประเสริฐนีก็คือรูปนามขันห้าของเรา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นสภาพขันห้าหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เป็นปรมาตธรรมหรือสภาวะธรรมอื่นอ่นเราสมมติตั้งชื่อเป็นอย่างไรแต่สภาวะนั้นก็ยังเป็นความจริงเมื่อสรุปแล้วก็คือรูปกับนามสภาวะของรูปไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรเป็นรูปของสัตว์มีชีวิตเช่นเนื้อหนังมังสากระดูก เลือดเนื้อของเราเนี่ยมีสภาพเป็นรูปธรรมและก็รูปต่างๆที่เป็นบ้านอาคารต่างๆอิฐหินปูนทรายต้นไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสภาพเป็นรูปนิคําว่ารูปเนี่ยความจริงของมันสุือสภาวะของมันก็คือต้องเปลี่ยนแปลงไปมีสภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลงและแตกดับไปอยู่เสมออย่างรูปร่างกายของเราก็เราก็จะเห็น แต่ละคนแต่ละวัยก็มีวัยแตกต่างกันคนที่เกิดมานานแล้วมีวัยผ่านมานานแล้วสภาพร่างกายก็แปรเปลี่ยนไปจากวัยเด็กเข้าสู่วัยกลางคนจากวัยกลางคนเข้าสู่วัยชราจากวัยชราเข้าสู่วัยชราที่แกงง่งอมสุดท้ายรูปนามนั้นรูปนั้นก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่โรคสภาพของรูปธรรม ไม่ว่ารูปอะไรรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของก็ชื่อว่าเป็นสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงและแตกดับไปเป็นธรรมดาจึงเป็นความจริงแท้ของคนของสัตว์ของโลกของสากลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงแท้ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้โดยหลักของความจริงนีสภาพของรูปแปลว่าที่มีการแปรเปลี่ยนไปเพราะเหตุเพราะปัจจัย ส่วนความจริงอีกอย่างหนึ่งคือนามสภาวะนามธรรมนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดหรือจิตของเราเจตสิกของเราที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นความโลภบ้างความโกรธความหลงความดีใจความศรัทธาเลื่อมใสหรือความมีปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกได้ ว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรในขณะหนึ่งหนึ่งเรมีความรู้สึกอะไรบ้างเป็นความจริงแก่บุคคล น, นั้นและก็ความจริงนั้นก็มีการแปรเปลี่ยนไปเช่นเราดีใจไม่นานก็หายไปหรือเกิดเสียใจไม่นานก็หายไปแปรเปลี่ยนไปอยู่เช่นนี้นิสภาวะของนามธรรมก็มีความจริงคือแปรเปลี่ยนไปงั้นสรุปแล้วสภาวะของนามธรรมหรือว่า ความจริงโดยสภาวะนั้นมีกฎอยู่สามอย่างที่เหมือนกันคื อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเรียกว่านิจจังไม่คงที่เมื่อแปรเปลี่ยนไปแล้วก็สภาพนั้นก็บ่งบอกว่าเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จำต้องแปรเปลี่ยนไปเพราะเหตุปัจจัยบีบคั้ง และก็เหตุที่เกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกทุกบีบคันนี้เอง mm hmm. เขาจึงเรียกว่าอนัตตาคือสภาพที่ไม่มีใครบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอานาจปรารถนาได้เราจะบังคับหรือขอร้องว่าขอรูปเราจงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปขอรูปเราอย่าแก่ขอรูปเราอย่าเจ็บขอรูปเราอย่าตาย ขอบุคคลนั้นจงอยู่ยืนยาวนานขอบุคคล น, นี้จงแตกดับทำลายไปโดยเร็วพลันขอสิ่งนั้นจงยั่งยืนปรากฏแก่เราตลอดไปไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือจะต้องการให้ความรู้สึกที่ดีใจความรู้สึกที่สงบที่สบายนั้นเกิดขึ้นแก่เราตลอดอย่าให้ความรู้สึกไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแกเราเลยอย่างนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้ เพราะเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละท่านจะเรียกว่าเป็นอนัตตาคือความจริงที่ว่าไม่มีใครบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวตนถ้าสิ่งใดเป็นของเราเราต้องมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นคือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจได้แต่ว่ารูปนามขันห้าของเรานี้เราไม่มีอำนาจเหนือมันมันมีอำนาจเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันคือกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์เหมือนกันหมด เรียว่าเป็นความจริงแท้ที่ทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างมียกเว้นนิพพานนิพพานมีแต่สภาพอนัตตาเทตที่นิพพานเป็นอนัตตาก็เพราะว่านิพพานนั้นไม่มีรูปร่างคือเราจะเห็นด้วยตาก็ไม่ได้จะจับต้องด้วยกายก็ไม่ได้จะได้ยินเสียงนิพพานก็ไม่มีกลิ่นของนิพพานก็ไม่มีรถนิพพานที่จะแตะด้วยลิ้นก็ไม่มี จะกระทบสัมผัสด้วยกายก็ไม่ได้นิพานเป็นสภาพว่าที่รู้สึกได้ด้วยใจนั้นสภาพนิพานที่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานไม่มีสีสันวันนะที่จะรับรู้ได้นี่เองจะเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่เป็นความจริงเป็นเป็นสัจจะที่เป็นความจริงแท้แต่ความจริงเหล่านี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ ทั้งที่ความจริงเหล่านี้มีอยู่รอบตัวเราและมีอยู่ในตัวเราด้วยซ้าไปเราก็รู้ไม่ได้เหตุที่รู้ไม่ได้ก็เพราะว่าปัญญาของเราไม่ถึงปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันเนื่องจากเหตุปัจจัยที่สังสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของยาก ดังที่อาตมาภาพได้ยกพระพุทธบาลีพุทธพจน์ขึ้นแสดงเป็นเบื้องต้นว่ากิจโฉมนุทสปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากกิจฉังมัจจานชีวิตตังการมีชีวิตรอดของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยากกิจฉังสัตยธรรมมสวนังการได้ฟังพระสัตยธรรมก็เป็นการยาก กิจโฉพุทธานามุปปาโทการบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งและสิ่งที่ยากทั้งสามอย่างคือการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีการได้มีชีวิตรอดของสัตว์ทั้งหลายแต่ละวันแต่ละนาทีก็ดีการได้ฟังพระสัจธรรมก็ดีจะสมบูรณ์ได้ด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็น สิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นได้ปรากฏเป็นความจริงถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนเราก็ไม่รู้ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราถ้าไม่มีใครสอนเนี่ยหรือไม่มีใครชี้บอกไม่มีพุทธเจ้าชี้บอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความเกิดการเกิดเป็นมนุษย์มันดีอย่างไรมันมีคุณค่ายอย่างไรแต่พอพระพุทธเจ้า ตรัสรู้มาประกาศบอกว่าการเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของการทำความดีและความชั่วมนุษย์ทำดีก็ทำดีสุดๆเทวาเทวดาทำได้ไม่เสมอเหมือนและก็ในทางกลับกันมนุษย์ทำชั่วก็ชั่วได้สุดๆใครก็ทำชั่วเท่ามนุษย์ไม่ได้เหตุที่มนุษย์ทำดีทาชั่วได้นี่แหละ เมื่อทำชั่วมากๆเข้ามนุษย์ก็มีความสานึกว่าความชั่วเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นสิ่งที่มีผลอันเผ็ดร้อนให้ผลอันทุกทรมานจึงเห็นโทษของความทุกได้โดยง่ายเห็นเห็นผลของอากุศลธรรมได้โดยง่ายและเมื่อทำความดีมนุษย์นี้สามารถประสบความดีได้ได้รู้จักความดีได้เสพรสชาติของความดีได้มากได้ประสบ สมบัติต่างๆมากมายก็ทําให้รู้คุณค่าว่าความดีเป็นอย่างไรฉะนั้นความดีความชั่วเนี่ยเป็นเครื่องสอนมนุษย์ให้รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์อ่าและก็ถ้ามนุษย์นี่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองก็สามารถพัฒนาได้สูงสุดสูงกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทันโทเศธโธมนุสเสสุ ในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายบุคคลที่ฝึกฝนตนเองได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยถ้าใครพัฒนาตนเองได้แล้วประเสริฐกว่าเทวดาประเสริฐกว่าพรมทั้งหลายมนุษย์เท่านั้นที่เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระปัเจกพรพุทธเจ้าได้เป็นพระอัครส า, าวกอัครส า, าวิกาได้พรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายถึงจะมีฤทธิ์มีเดช มีความสามารถพิเศษความมนุษย์บางประการก็ตามแต่ว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระบัจเจกพรพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอัครสาวกอัครสา ว, วิกาไม่ได้เป็นได้แค่พระอริยะบุคคลธรรมดาไม่มีความเป็นเลิศเ น, นี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้ประเสริฐที่สุดเมื่อพัฒนาตนเองแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยได้นามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง แปลว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพระองค์พัฒนาตนเองได้แล้วน่พรมก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องเคารพนับถือมนุษย์ทั้งหลายก็บูชากราบไหว้ในความเป็นเลิศที่เป็นมนุษย์ผู้สูงสุดของพระองค์นั่นเองนั้นพระองค์เมื่อบัตรเกิดขึ้นแล้วจึงทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เมื่อมนุษย์เห็นคุณค่าของตนเองมีความสมบูรณ์และจะคิดะก็จะคิดว่า การได้มีชีวิตรอดวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าไหนไหนอย่างที่ว่าทรัพ์สมบัติแม้จะมีมากมายหลายล้านมีความสุขให้อำนวยความสุขให้มากมายก็ตามแต่ถ้าชีวิตนี้ไม่สมบูรณ์ทรัพ์สมบัตินั้นก็ไม่มีคุณค่าเช่นถ้าเราเจ็บปวดด้วยโรคร้ายแรงเนี่ยมีหมอเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมีบ้านเป็นโรงพยาบาล ไม่เคยมีความสุขจากทรัพย์สมบัติเลยเนี่ยเราก็ไม่ได e ้รับความสุขสมบัตินั้นก็ไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้เพราะว่าร่างกายเราไม่อํำนวยแต่ถ้าร่างกายเราอํานวยร่างกายเราเป็นปกติธรรมดาเราจึงจะมีความสุขจากทรัพย์สมบัตินั้นได้นี่เราจะเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าทรัพย์สมบัติและถ้าบุคคลนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็หมดความหมายสําหรับบุคคลนั้นไป ฉะนั้นการที่เรามีชีวิตรอดวันหนึ่งวันหนึ่งได้จึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งในๆเนี่ยการที่จะมีชีวิตรอดได้ก็เป็นการยากเพราะว่าอะไรทุกวันนี้เราก็เห็นว่าภัยต่างๆมากมายภัยจากธรรมชาติภัยจากไฟบ้างไฟจากน้ำบ้างจากลมจากสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นภัยธรรมชาติที่รบรุลานเราเรื่อยมา และก็ภัยที่สําคัญภายในตัวเรารอบตัวเราก็ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างเนี่ยรุมร้อมเรามีอวัยวะส่วนไหนภัยต่างๆก็มีประจําอวัยวะนั้นมีตาก็ปีโรคตามีหูก็มีโรคหูมีจมูกก็มีโรคจมูกมีอวัยวะส่วนไหนมาภัยจากอวัยวะนั้นก็ตามมาด้วยเนี่ยภัยในรอบตัวเราตลอดถึงภัยคือกิเลสตัณหาในใจเราเนี่ย เป็นภัยอันยิ่งใหญ่พาให้เราเสียอ่าพาให้เราดีหรือพาให้เราเจริญแล้วแต่สภาพที่มันชักนําไปและแต่เหตุแต่ปัจจัยฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรือมีชีวิตรอดและก็สามารถทําความดีได้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่ดีงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้าค่าเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ นี่ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของชีวิตนั่นเองอย่างคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตก็ไปทําลายชีวิตหรือพาชีวิตไปสู่ทางความเสื่อมไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไปท ำ, ทำในเรื่องเสื่อมเสียทําในเรื่องไร้สาระประโยชน์ไร้แก่นสารของชีวิตชีวิตของบุคคลนั้นก็สูญเปล่านี่ว่าเพราะไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในหลักคําสอนของพุทธเจ้า แล้วก็สิ่งที่หาได้ยากอันที่สามการได้ฟังพระสัตธรรมนี้ก็เป็นคุณค่าจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสัตธรรมไหนๆก็คู่สู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ของฤาษีชีไพรของนักบวชเจ้าลัทธิต่างๆก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเหตุใดจึงสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีปัญญาที่เป็นเลิศเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าของเราทรงมีปัญญาอันเป็นเลิศเรียกว่าสัพพัญยุตยานความเป็นสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเป็นเลิศเพราะว่ารู้สิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งซึ่งประกอบด้วยอาศยานุสยายานรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายว่าบุคคลนั้นสั่งสมมาอย่างนี้ควรจะแสดงทำประเภทไหนควรจะแสดงทำวิธีใด ให้บุคคลนั้นสามารถรู้เข้าใจได้การแสดงธรรมของพระองค์จึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายโดยมากและกัอินทริยปโรปริยะติยานรู้อินทรีคือบารมีที่บุคคลนั้นสั่งสมมาว่าใครมีอินทรีย์แก่กล้าคือมีศรัทธาความเลื่อมใสอย่างมั่นคงมีรีวิริยะความเพียรในการสร้างกุศลมีสติในการระลึกรู้สิ่งที่ดีงามได้เร็ว มีสมาธิมีความสงบตั้งมั่นด้วยดีไม่วันไหวและก็มีปัญญามีความรู้รอบสามารถที่จะรู้แจ้งตามธรรมที่พระองค์แสดงธรรมได้ด้วยอำนาจของอินทรยปโรปรยตติยานี่แหละก็ทำให้พระองค์สามารถเลือกบุคคลที่จะแสดงธรรมได้ว่าบุคคลไหนอินทรี ee, แก่กล้าแล้วเหมือนตอนที่พรมรัตนารัตนาก็พิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายโดยประเภทของอินทรี ว่าสัตว์บางประเภทมีอินทรีย์แก่กล้าพอแสดงยกหัวข้อธรรมเท่านั้นก็สามารถที่จะรู้ตามได้เรียกว่าอุคคติตันยอยู่สัตว์บางประเภทมีอินทรีย์ปานกลางยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็ยังไม่เข้าใจต้องแจกแจงอธิบายขยายความไปอีกจึงจะรู้ตามได้เข้าใจได้เรียกว่าวิบจิตันยอยู่สัตว์บางประเภทมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังต้องอบรมบ่มเพราะ อินทรีย์ให้แก่กล้าจึงต้องพร่ำสอนอยู่เรื่อยจนสามารถารู้ตามได้มีอินทรีย์แก่กล้าเรียกว่าเนยยะบุคคลนี่พระองค์จำแนกสัตว์ที่สามารถรู้ตามได้สามประเภทด้วยกันจึงสามารถแสดงธรรมและอบรมบุคคลนั้นได้ส่วนพวกประเภทที่ไม่รู้ตามได้เรียกว่าปะทะประม า, าคือบุคคลที่มีบทเป็นอย่างอื่น หรือมีรอยเท้าที่จะก้าวไปสู่ภพภูมิต่อไปข้างหน้าประธะรระมะก้าวไปข้างหน้าต่อคือจะต้องไปเกิดใหม่อีกจะต้องไปสั่งสมบา ร, รมีต่อในภพชาติต่อต่อไปยังไม่สามารถบรรลุตามได้ในชาตินี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้และก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งบัวเหล่าที่4ี่ไม่ได้ทิ้งก็ยังให้เหตุให้ปัจจัยให้อุปนิสัยอบรม บ่มนิสัยเพื่อให้เขาได้เป็นปัจจัยต่อไปชาติหน้ า, ามีหวังที่จะงอกต่อไปข้างหน้าได้อีกอไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอาหารของเต่าและปลาทั้งหมดเป็นอาหารของเต่าและปลาเฉพาะในชาตินี้แต่ชา ต, ต, ติต่อไปก็สามารถจะรู้ตามได้นั้นการที่พระเจ้าของเราบัตเกิดขึ้นนี่จึงสามารถทำให้พระสัตยธรรมคำสอนของพรธเจ้าที่แผ่ออกมาหรือที่จะออกมาจากพระโอษของพระองค์นั้น เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนี่เรียกว่ากิจฉังสัตธรรมมสาวนางังการได้ฟังพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งถ้าใครศึกษามาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกยุคทุกสมัยบางยุคบางสมัยหรือกับบางกับที่โลกเกิดขึ้นมาแล้วว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีมากมายเรียกว่าสุญญกับ สุญญากับเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นเลยตั้งแต่โลกบัตรเกิดขึ้นจนแตกไปครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นบุคคลที่จะเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามมีชีวิตอยู่ยืนยาวก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรับรู้พระสัจธรรมแสงแห่งพระสัจธรรมไม่สามารถที่จะส่งไปสู่จิตใจของบุคคลนั้นได้เพราะว่าไม่มีบุคคลผู้ ส่องแสงสว่างคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงบอกว่าก า, ารบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นปัใจจัยให้สำเร็จความประเสริฐทั้ง3ประการคือได้ความเป็นมนุษย์รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และก็รู้คุณค่าของชีวิตที่มีรอดอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งได้ว่ามีคุณค่าควรที่จะสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตบ้าง และก็สําคัญก็คือต้องได้ฟังพระสัจธรรมคําสอนอันดีงามคําสอนอันถูกต้องนี่คือปริยัติสัจธรรมหลักการแบบแผนข้ออัดข้อธรรมที่จะต้องอบรมสั่งสอนและก็หลักปฏิบัติสัจธรรมหลักประพฤติปฏิบัติในการดําเนินไปสู่การที่จ ะ, ะทําตนให้บริสุทธิ์ได้ตลอดถึงปฏิเวศสัจธรรมก็คือการบรรลุมรรคบรรลุผลมีจุดหมายปลายทาง พระพุทธเจ้าอบัตเกิดขึ้นทําให้พระสัจธรรมทั้งสาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสมบูรณ์ตามไปด้วยนี่จึงบอกว่าการอุบัตเกิดขึ้นพระองพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บุคคลได้โดยยากในสังสารวัตรนี้นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัตเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็นําสิ่งอันประเสริฐหรือสัจจะคือความจริงอันประเสริฐนี้มาประกาศแก่ชาวโลก ซึ่ง 2,500 ถึง 2,600 ปีมาเนี่ยที่พระองค์ประกาศพระสัจธรรมทั้งที่พระสัจธรรมนั้นยังมีอยู่สัจธรรมความจริงยังมีอยู่ตลอดพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นก็าตามไม่อุบัติเกิดขึ้นก็าตามแต่ว่าความจริงนั้นมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าสมมติแต่งตั้งขึ้นไม่ใช่ แต่ว่าเป็นสิ่งอยู่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติความจริงนั้นก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเป็นความจริงแท้เป็นความจริงที่มีอยู่ตลอดไม่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็มีเป็นความจริงอยู่ตลอดในความจริงเนี่ยและบุคคลผู้รู้ความจริงนี้ย่อมทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐคือเป็นอริยะ เพราะว่าเป็นความจริงอันประเสริฐเมื่อบุคคลเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงเหล่านั้นแล้วจึงเป็นบุคคลประเสริฐ ต, ตามไปด้วยสิ่งอันประเสริฐคือความจริงนั้นก็มีอะไรบ้างหนึ่งทุกขกรสัตรจักรความจริงคือทุกข์เอทุกข์มันประเสริฐอย่างไรนะเรียกว่าเป็นความทุกต่างคนก็ต่างจะหาหนีความทุกข์ต่างคนจะหาวิธีการขจัดความทุกข์หลีกเลี่ยงความทุกข์ให้พน้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า ทุกเป็นสิ่งอันประเสริฐประเสริฐยังไงก็ประเสริฐเพราะว่าทุกเนี่ยเมื่อบุคคลเข้าไปรู้รู้จริงแล้วก็ทำให้ เ, เห็นสัตยธรรมเห็นความจริงของสภาพต่างๆว่ามันเป็นความทุกข์เป็นความทรมานควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายจากความยินดีเพราะว่าสัตว์ยังยินดีในทุกอยู่ ยินดีในทุกอยางไงเราเห็นรูปทางตาก็ยินดีในรูปรูปสวยไม่สวยบางคนก็ยินดีในรูปที่สวยบางคนก็ยินดีในรูปที่ไม่สวยบางคนก็ยินดีในเสียงไภเราะบางคนก็ยินดีในเสียงไม่ไพเราะบางคนก็ยินดีในกลิ่นที่ดีที่หอมบางคนก็ยินดีในกลิ่นที่ไม่หอมหรือกลิ่นเหม็นบางคนก็ยินดีในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่บุคคลชอบ บางคนก็ยินดีในสัมผัสอันเย็นสบายบางคนก็ยินดีในสัมผัสอันร้อนอันอุ่นเป็นต้นบางคนก็ยินดีในความนึกคิดที่ดีบางคนก็ยินดีในความนึกคิดที่ไม่ดีเนี่ยสภาพเหล่านี้ที่เรายินดีเราชอบใจเราหลงไหลคลั่งคล้น่ะคือตัวทุกข์ทั้งนั้น่ะเพราะอะไรเป็นเป็นตัวทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแปร ى, เปลี่ยนไปดับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันไม่ดับไป รูปก็จะติดตาเราไปตลอดเสียงก็จะติดหูเราไปตลอดกลิ่นก็จะติดจมูกเราไปตลอดรถก็จะติดลิ้นตลอดกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะติดกายเราไปตลอดความนึกคิดต่างๆก็จะติดใจเราไปตลอดแต่นี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นความทุกข์คือมีการแปรปรวนและแตกดับทาลายไปเป็นธรรมดาแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไปยึด จึงมีความเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงรูปที่เราเคยเห็นแล้วเราชอบใจเราอยากให้รูปนั้นมั่นคงอยู่ตลอดไปอยากให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสนั้นปรากฏแก่เราเรื่อยไปนี่เราไปยึดด้วยอำนาจของความเห็นผิดเนี่ยอ่าเป็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนเราจึ ง, ลงหลงไหลไปตามสภาพของทุกแต่ทุกนี่พระพุทธเจ้าสอนให้กาหนดรู้อย่างเดียว คือไม่ให้ไปทำให้เกิดขึ้นไม่ให้ไปปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่มีหน้าที่อย่างเดียวคือปริญญายากิจปริญญายากิจคือต้องกาหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนไปแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่การเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอ่าฉะนั้นก็ถอนความยึดติดถอนความอาลัย ถอนความเสียดายถ อ, อนความผูกพันในรูปมองทุกขนั้นเป็นแต่เพียงสภาพของทุกข์ที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยและก็แปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยเนี่ยให้กําหนดรู้ทุกตามความเป็นจริงฉะนั้นถ้าใครวางใจในทุกข์ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐก็คือมีจิตใจมั่นคงไม่ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่แปรเปลี่ยน ก็เป็นคนที่ประเสริฐเมื่อประเสริฐแล้วก็สามารถเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือกิเลสตัณหาได้สองตัวสมุทัยเรียกว่าสมุทยทยาสัจจะคือตัณหาเราอาจจะสงสัยเอตตัณหามันเป็นตัวร้ายมันเป็นตัวกิเลสทําให้จิตใจเศร้หมองแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมุทยทยาสัจจะความประเสริฐอันความจริงอันประเสริฐคือตัณหาเนี่ยมันประเสริฐอย่างไรตัณหาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่า มันเป็นความทยานรยากเป็นความดิ้นรนให้สัตว์ต้องอดิ้นรนต้องขวนขวายต้องตะเกียกตะกายไปตามสภาพของตัญหาที่ครอบงำเราอยากรูปเราก็ต้องการตะเกียกตะกายสแสวงหารูปมาเราอยากเสียงก็ตะแกะตะเกียกตะกายสแสวงหาเสียงที่ชอบใจมาเราอยากในกลิ่นในรสในกระสิงสบสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดต่าง เราก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนเพื่อจะไขว่คว้าหาสิ่งนั้นมาเชยชมก็เป็นความทุกข์เป็นความทรมานพอเชยชมแล้วสิ่งนั้นก็แปรเปลี่ยนไปเราก็ต้องการอีกแปรเปลี่ยนไปก็ต้องการอีกต้องการเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจเราขึ้นลงไปตามสภาพของอารมณ์เหล่านี้ใจเราก็ไม่มั่นคงตกอยู่ใต้อานาจของกิเลสและแต่กิเลสจะบงการไปให้ทาดีทาชั่วไปตามอำนาจกิเลสนั่นเอง ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสได้ก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าบุคคลใดกำหนดรู้ทุกขตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วภกข์กำหนดละตัวตัณหาคือสมุทัยได้ตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ล ะ, อะสอนให้ละอย่างเดียวอย่าไปเติมมันอย่าไปเติมเชื่อไม่มันอย่าส่งเสริมมันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นตัว ศัตรูของเราเช่นพวกเสือพวกจระเข้พวกอะที่เราเลี้ยงไว้ถ้าเราให้อาหารมันมันยิ่งมีกำลังมากมันก็จะ อ, อยู่เหนือเรามีกำลังเหนือเราแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็หมดมันก็ค่อยอผอมลงค่อยๆหมดเรี่ยวแรงไปเดี๋ยวก็ตายไปตัณหานี่ก็เหมือนกันพพุทธเจ้าสอนให้ละให้เว้นอย่าไปเติมเชื้อให้มันอย่าไปเติมพลังให้มัน คือมันชอบรูปเราก็อย่าตามใจมันมากเกินไปอย่าตะเกียกตะกายไปหาเหยื่อให้มันพิจารณาตามความเป็นจริงอรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาตามความเป็นจริงก็คือไม่ให้เหยื่อแก่ตันหาปรารถนารูปรถกินเสียงต่างๆเราไม่ให้เหยื่อเราทําใจได้พิจารณาได้ ตันหาก็จะหมดกําลังลงหมดกําลังลงสุดท้ายตันหาก็ไม่มีกําลังเราก็จะอยู่เหนืออํานาจของตันหาและเราก็สามารถละตันหาได้ในที่สุดเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่ า, วาถ้าใครละตันหาได้บุคคลนั้นจึงจะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐบุคคลที่เป็นอริยะอย่างแท้จริงนี่เรียก ว, ว่าเป็นความจริงคือตัวสมุไทยก็เป็นความจริงเพราะว่าสมุไทยเนี่ยไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตาม เกิดกับคนเกิดกับสัตว์เกิดกับพระเถรเนนชีเกิดกับคารวะญาติโยมมันก็มีสภาพเหมือนกันคือทําให้ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหาสแสวงหาเหยื่อมาป้อนสแสวงห า, าสิ่งต่างต่างที่ชอบใจมาป้อนให้มันบุคคลที่ถูกตันหาครอบงําก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพสถานะใดก็ตามเป็นความทุกข์ที่ต้องดิ้นรนต้องกระเสือกกระสนเหมือนกัน พรทธิจาบอว่าเป็นความจริงความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยและก็ความจริงข้อที่สเรียกว่านิโรธสัจจะความจริงคือความดับทุกข์ได้แก่พระนิพพานพระนิพพานก็หมายจากสวรรค์นิบวกวานะนิแปลว่าออกวานะแปลว่าตันหาเครื่องร้อยรัดเมื่อมาเชื่อมต่อกันแปลงวะเป็นแปลงพวแหวนเป็นพพอผ่าน เป็นนิพพานะสอนพ่อพานอีกตัวหนึ่งก็ไปตามหลักของภาษาบาลีเป็นนิพพานะนิพพานแปลว่าออกไปจากตันหาเครื่องลอยรัตฉะนั้นสิ่งปรารถนาต่างๆตัวตันหาต่างๆที่เรามีในจิตในใจเนี่ยพอถึงนิพพานแล้วมันสลัดนิพพานทิ้งหมดขจัดนิพพานทิ้งหมดสภาพของนิพพานไม่สามารถที่จะไปใกล้ตันหาได้ฉะนั้นถ้าใครต้องการจะไปนิพพานปรารถนานิพพาน ก็ต้องรู้สภาพนิพพานว่าเป็นอย่างไรสภาพนิพพานไม่มีรูปที่จะดูด้วยตาไม่มีเสียงที่จะฟังด้วยหูไม่มีกลิ่นที่จะดมด้วยจมูกไม่มีรสที่จะลิ้มด้วยลิ้นไม่มีสภาพเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบด้วยกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะคิดด้วยใจได้เป็นสภาพที่ไม่มีทั้งจิตเจตสิกโรปเป็นสภาพที่ไม่มีสังขารตัวปรุงแต่ง เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดหรือรูปร่างกายหรือสิ่งต่างๆนั้นเป็นสภาพของสังขารธรรมคือธรรมที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่นิพานนั้นตรงกันข้ามเป็นอสังขารธรรมหรืออสังกตธรรมคือธรรมที่ไม่มีปัใจจัยใดๆปรุงแต่งนิพานมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครได้บรรลุธรรมตรงนี้ก็จะได้รับนิพานตรงนี้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าได้บรรลุธรรมเมื่อไรก็จะได้รับนิพพานตรงนั้นฉะนั้นสภาพของนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราสามารถรับได้นิพพานก็ปรากฏแก่เราเมื่อนั้นเนี่ยเป็นสภาพที่ดับทุกแต่ว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วความทุกต่างๆก็จะดับไปนิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีการแปรเปลี่ยนเรียกวความสุขแท้เป็นบรมสุข นีจ่จะไปนิพพานได้อย่างไรพุทธเจ้าก็ทรงแสงแสดงอริยสัจข้อที่4เรียกว่ามักคสัจจ์ความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราพยายามขจัดทุกข์หรือหลีทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆพอร้อนเราก็อาบน้ำเข้าห้องแอร์ใส่ปลปไหลด้วยของที่เย็นสบายแต่ไม่นานสิ่งเหล่านั้นก็ก่อทุกข์เพิ่มความร้อนขึ้นมาอีก นั้นยิ่งคนยิ่งทะนุถนอมมากเท่าไรยิ่งอ่อนมากเท่าไร่ตัวความอดทนก็จะมีน้อยคนที่อยู่ในห้องแอร์ไปเจอแดดแรงๆไม่ได้ตัวจะไหมร่างกายมันอ่อนแอตามไปด้วยเนี่ยเราหนีทุกแบบไม่รู้ความจริงของทุกเนี่ยเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกนี่มีให้รู้ให้รู้ให้ทนทนเท่าที่จะทนได้ ยิ่งใครทนมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่อดทนเช่นพระพุทธเจ้าของเราแม้จะเป็นสุ ข, ขุมารชาตเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเป็นเจ้าชายผู้เคยได้รับแต่ความสุขแต่ว่าพระองค์ต้องไปเผชิญกับความทุกข์อันยิ่งใหญ่คือการบำเพ็ญทุกรกระกริยาทรมานตนจนถึงสุดๆไม่มีใครที่สามารถทำได้เสมอเหมือนก็ทาให้พระองค์ทรงแกร่งทั้งที่เป็นกษัตริย์สุ ข, ขุมารชาตเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุ ข, ขุมารชาต แต่พอพระองค์เสด็จออกบวชแล้วและก็ได้ตรัสรู้แล้วนะพระองค์ทรงบำเพ็ญกิจทุกอย่างโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากจะเสด็จด้วยหวนทางไกลโดยพระบาทเปล่าไม่มียานพาหนะใดๆเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแดดจะร้อนลมจะหนาวฝนจะตกอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็สามารถทนต่อไปได้ฝันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นได้เพราะว่าพระองค์ได้กําหนดรู้ทุกแล้วว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทนต้องกําหนดรู้ให้จริง นะและก็ทนจนกว่าจะทนไม่ได้เนะี่ยทนให้ถึงที่สุดนะก็จะเป็นผู้ที่อดทนเป็นผู้แกรนะเนี่ยพระองค์ทรงรู้ อ, อย่างเนี้ยจึงได้บรรลุถึงข้อปฏิบัติว่ า, าการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไดนะ้ควรจะทำอย่างไรนะควรจะดำเนินไปในแนวทางไหนก็ทรงเห็นทรนะงเห็นว่าพ้นทางมัชิมาปฏิปทาคืออริยมรตมีองค์8นี่แหละ เป็นทางที่จะไปถึงความดับทุกข์ได้ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคนที่จะทําความดีได้เต็มที่ทําความดีได้อย่างยั่งยืนความความดีได้อย่างต่อเนื่องและตลอดรอดฝั่งได้ปัจจัยสําคัญประการที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละจะเป็นปัใจจัยให้มรรคอื่นๆสมบูรณ์ด้วยถ้าคนไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะ่ะ มักอื่นๆจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือจะไม่สมบูรณ์ได้เลยเพราะว่าตราบใดยังมีความเห็นผิดแล้วการที่จะคิดชอบทำชอบนะมีได้ยากนอกจากสังคมบีบคั้นถูกกฎหมายบังคับถูกกฎของสังคมบังคับจำต้องทำตามกฎของสังคมแต่ใจจริงไม่ได้คิดที่จะทำแต่ถ้าบุคคลใดมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะมีความเห็นชอบามทานองคลองทาว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว บุคคลนั้นไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานะใดก็ตามก็สามารถทำความดีได้นั้นพระเจ้าจึงแสดงสัมมาทิฐิเป็นอันดับแรกว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์เมื่อมีสัมมาทิฐิคือความเห็นถูกต้องแล้วสัมมาสังกัปปะความคิดในจิตในใจจะก็จะออกมาออกมาในทางที่ดีที่งามออกมาในทางที่ชอบเรียกว่าความดาริชอบ คือก็ดำริไม่ไม่หมกมุ่นในกามมากเกินไปดำริในเรื่องความไม่พยาบาทดำริเรื่องความไม่เบียดเบียนดำริไปสู่หนทางที่ดีงามเพื่อให้จิตน้อมไปสู่พระนิพพานให้ได้เนี่ยเป็นความดำริที่ดีงามซึ่งเกิดจากสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นชอบมีความดำริชอบแล้วกายกรรม 3, สาตัวศิลสามประการคือสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมา กรรมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบก็จะเป็นไปในทางที่ดีและก็เป็นไปได้อย่างยั่งยืนเพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะเป็นตัวสนับสนุนเ mm hmm. ช่นคนเราเห็นโทษเห็นคุณของเรื่องวาจาก็สามารถที่จะกล่อมเกลาวาจาให้ดีได้เวลาพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีพูดทิวจีไพเราะพูดคาที่เป็นสัจจะความจริง เพราะว่าถ้าเราพูดไม่ดีก็คือเราเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยกรรมไม่ดีก็จะติดตามเราไปเนี่ยเพราะอำนาจของความเห็นชอบความด â ริตชอบสนับสนุนเวลาจะทำอะไรก็ต้องทำดีเพราะว่าถ้าทำไม่ดีแล้วบาปก็จะตามเราไปความทุกข์ก็จะตามเราไปและกัการเลี้ยงชีพชอบก็ทำให้เราหาเลี้ยงชีพในทางที่ดีที่สุจริตได้ด้วยอานาจของความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง เนี่ยตัวสนับสนุนให้เกิดขึ้นเป็นศีลและก็เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาชีวะบริสุทธิ์แล้วทางใจก็จะพลอยบริสุทธิ์ตามไปด้วยเป็นอุปการะให้ใจได้ประพฤติในทางที่ดีที่งามคือสัมมาวายามะความเพียรเป็นไปในทางที่ชอบเพียรเพื่อละอกุศสลธรรมที่เกิดแล้วเพียรเพื่อระวังอกุโสลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น เพียรเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเนี่ยด้วยอำนาจของความรู้ชอบความคิดชอบนี่แหละทำให้เรามีความภาคเพียรทางใจนั้นคนที่ปฏิบัติทำได้อย่างถูกทางปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่องปฏิบัติทำได้อย่างไม่มีสิ่งไม่ดีไม่งามปรากฏขึ้นมาเป็นผลข้างเคียงได้คนนั้นต้องมาจากสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงต้องรู้ต้องเข้าใจ ในเรื่องกฎของกรรมเรื่องของสังสารวัตเรื่องของเหตุเรื่องของผลให้ทีท่วนจึงจะปฏิบัติไปได้แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างทีท้วนหรือไม่รู้อย่างจริงแท้ไม่มีความดำริในทางที่ชอบแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปในทางที่โน้มเอียงไปให้เกิดมานะเกิดทิฏฐินั้น สำนักต่างๆปฏิบัติต่างๆจะมีหลายสำนักด้วยกันโต้เถียงกันของฉันถูกของคุณผิดของฉันตรงของคุณไม่ตรงอะไรต่างๆเนี่เกิดโตเถียงกันอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหลักของสัมมาทิฏฐิยังไม่ถูกตรงยังไม่ตรงอย่างแท้จริงหลักความดาริในทางที่ชอบอยังไม่บริสุทธิ์จริงจึงทาให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ มุ่งไปเพื่อความเจริญมุ่งไปเพื่อความอวดดีเพื่อความ อ, าอวดบุคคลอื่นเพื่อมานะเพื่อทิฐินั่นเองอจึงต้องชําระชําระด้วยสัมมาทิฐิเมื่อชําระด้วยสัมมาทิฐิแล้วการปฏิบัติไม่ว่าสํานักไหนจะปฏิบัติอย่างไรก็ทุกแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์มีความชํานาญมีความถนัดสั่งสมมาแตกต่างกันยอมรับในความต่างเพื่อไปสู่จุดเหมือนเหมือนกันจุดหมายเดียวกันคือพระนิพพาน แต่ว่าคนจะปฏิบัติถูกปฏิบัติทิดแล้วก็เเขาสั่งสมมาถ้าเขาสั่งสมมาไม่ถูกเขาก็ปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกถ้าเราสั่งสมมาในทางที่ถูกเราก็ปฏิบัติถูกทางได้แต่ว่าผุุ้ชนทั้งหลายผู้ธเจ้า ว, ว่าเหมือนช้างตาบอดเหมือนช้างตาบอดหรือเหมือนคนตาบอดผู้โดยชนทั้งหลายผู้โเจ้าเปรียบว่าเหมือนคนตาบอดเหมือนช้างตาบอดเพราะว่ายังไม่เคยเห็นทางด้วยตนเองยังไม่รู้หน่อยทางด้วยตนเอง เพียงแต่คาดเดาเอาเพียงแต่ฟังมาอาจจะถูกก็กได้ไม่ถูกก็ได้ส่วนอริยะบุคคลเหมือนกับคนตาสว่างเหมือนกับช้างตาดีรู้ว่าอะไรเห็นเห็นจริงตามตนเองว่าเออตรงนั้นมันเป็นทางตรงนี้มันไม่ใช่ทางเห็นด้วยตนเองแต่ผู้ดุชนทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับคนตาบอดเหมือนกับช้างตาบอดคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็อาศัย เหตุปัจจัยคือหลักคำสอนของผู้เจ้าก็เรียนรู้แล้วนำมาบอกมาสอนมาชี้แนะให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามส่วนคนที่จะรู้ความจริงก็คือการปฏิบัติด้วยตนเองก็คือปฏิบัติในสัมมาวายามะมีความเพียรชอบเพียรละกิเลสเพียรระวังกิเลสเพียงสร้างกุศลความดีเพียรรักษากุศลความดีนี่เป็นความเพียรชอบที่จะไปสู่พระนิพพานได้และก็มีสัมมาสติความระลึกชอบ ลึกในทางที่ดีที่งามและลึกในทางที่เป็นกุศลเช่นลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นสักขีพยานอ้างเพื่อจะสร้างคุณความดีเจริญรอยตามพระองค์และลึกถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นเครื่องให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายมาจากต่างตระกูลจากต่างฐานะแต่เพื่อมาสู่พระธรรมวินัยแล้ว ก็มีอยู่ในระเบียบแบบแผนอันเดียวกันดำเนินไปตามวิถีทางที่ผู้โดยเจ้าทรงสั่งสอนฉะนั้นเมื่อเราลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นแล้วก็ทำให้จิตใจเบิกบานทำให้จิตใจผ่องใสดำเนินไปสู่ทางที่ดีได้และการน้อมนำให้เกิดมรรคองค์ที่แปดเรียกว่าสัมมาสมาธิคนที่ใจวอกแวกคนที่ใจอยู่ไม่เป็นสุขใจรุมเร้าก็เพราะว่าขาดขาดสมาธิขาดความรู้จริง ขาดสติความระลึกรู้ในสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดความภาคภูมิใจแต่ถ้าใครเกิดความภาคภูมิใจนึกถึงความดีงามและจิตใจภาคภูมินึกถึงคุณงามความดีของพระตนตรัยและจิตใจภาคภูมิคนนั้นก็จะสามารถทำสมาธิฝึกสมาธิมีจิตใจมั่นคงได้ นั้นสมาธิเนี่ยถ้าฝึกดีแล้วก็ทำให้จิตใจมั่นคงทำให้จิตใจไม่รวนเรและก็เป็นอุปการะที่จะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้นมาทำเหล่านี้มักทั้งองแปดเนี่ยเป็นอุปการะซึ่งกันและกันและเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นมีกำลังเท่ากันมีกำลังที่พร้อมเพียงกันเด็ดขาดเป็นมัคคะสมังคีคือพนึกกาลังอ่ที่ มีหนักแน่นเหมือนกันก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆได้นั้นตัวมักมีองค์ดเนี่ยจึงจะทำให้ถึงนิโรธได้ไม่มีทางอื่นเลยทางไหนๆที่เจ้าศาสดาเจ้าลทัทธิต่างๆอบรมสั่งสอนกันมาก่อนพุทธเจ้าก็ดีหลังพุทธการก็ดีเนี่ยไม่มีอะไรสู้มักมีองแปดที่พระพุทธเจ้าสอนมาสองพันกว่าปีนี่0ปีเนี่ ย, 2, ป เ, ยเป็นความจริงแท้ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้อง อ, อบรมให้มีให้เกิดขึ้นและจะต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าทุกขคืออะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรกมีองค์แปดคืออะไรมันมีความเป็นไปอย่างไรมีสภาพเป็นไปอย่างไรประเสริฐอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงว่าประเสริฐเนี่ยเป็นความจริงที่ แต่ถ้าบุคคลนั้นกําหนดรู้ความจริงนี้ได้แล้วก็จะเข้าใจเข้าใจสภาวะความเป็นจริงและก็จะเข้าใจตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นคุณค่าว่าอริยสัจสี่เนี่ยเป็นธรรมที่เป็นสุดยอดในบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 84% ดหมี่พันพระธรรมขันเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจสี่เป็นยอดเปรียบเสมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างในย่อมใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วทรงสั่งสอนแล้วใน 84% ดหมพพระธรรมคันเมื่อรวมแล้วก็อยู่ในทุกขสัตว์อยู่ในสภาพของอริยสัตว์สอย่างตัวทุกเนี่ยทุกขสัตว์จะมันรวมหมดเลยธรร ม, ม ท, ที่เป็นโลกียะต่างๆนี่รวมอยู่ในสภาพทุกขหมดเลย สภาพของโลกีธรรมทั้งหลายนะนอกจากมรรคสี่ผลสีนิพพานหะนึ่งร่วมอยู่ในสภาพของทุกขเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็แปลเปลี่ยนไปบาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเราก็แปรเปลี่ยนไปบุญกุศลความดีเกิดขึ้นในใจแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปตลอดนี่เรียกว่าสภาพของทุกขนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกีธรรมทั้งหมดนะเป็นตัวทุก์นะร่วมหมดเลย และก็ตัวตันหาความทยานอยากกิเลตตันหาต่างๆเมื่อรวมแล้วก็ลงในสมุทัยหมดคือตัวต้นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะเนี่ยความเห็นผิดความถือตัวถือตนความรวนเรสงสัยต่างๆเหล่านี้รวมลงในตันหาคือสมุทัยหมดเพราะว่าเป็นตัวให้เกิดทุกข์ส่วนนิโรธเป็นสภาพที่เอกเทศ ไม่มีสิ่งใดไปรวมในความนิโรธความดับไหนไหนก็สู้นิโรธไม่ได้ความดับก็มีหลายระดับดับแบบชั่วครั้งชั่วคราวคณิกะนิโรธดับแบบขณะขณะความสุขเย็นเป็นขณะขณะก็เรียกว่าคณิกะนิโรธความดับด้วยอานาจของฌานฌานดับกิเลสบางอย่างเช่นนิวรห้าเมื่อคนที่ได้ฌานก็จะทับกิเลสนิวรไม่ให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แต่ก็ดับขณะที่ ฌานนั้นยังมีกําลังอยู่ยังมีกําลังข่มทับกิเลสนั้นอยู่แต่เมื่อฌานนั้นเสื่อมและกิเลสก็ฟูขึ้นอีกการดับอย่างนี้เรียกว่าวิกขมพนนิโรธดับด้วยอํานาจของฌานและก็ถ้าบุคคลที่บรรลุเป็นพระอราหันต์ก็ตัดกิเลสเป็นเด็ดขาดเรียกว่าสมุติเฉทนิโรธดับโดยเด็ดขาดซึ่งเป็นตัวนิพพานอย่างแท้จริงและก็นิโรธการดับแบบ ขณะที่ทําให้ระ ง, งับจากทุกทั้งปวงเรียกว่าปฏิปัสสธินิโรธดับความกระวนกระวายกระวนกระวายความรุ่มร้อนต่างๆน่เรียกว่าเป็นนิโรธเป็นบางอย่า ง, างที่เว่าเป็นความดับเหมือนกันแต่ว่าความดับที่ประเสริฐที่สุดยอดที่สุดในบรรดาความดับทั้งหลายคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นความดับอันสุดยอดดับไม่หมดเมื่อดับหมดแล้วนะ ถึงคนจะปรารถนาว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้นินพานนานนพานเป็นเมืองแกว้วเมืองสวรรค์แต่นิพพานไม่ได้เป็นตามที่คนคิดไม่ได้ตามที่คนคาดนิพพานอย่างที่ว่าไปแล้วมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติทุกที่ทุกแห่งคนสามารถรู้นิพพานได้ไม่จําเป็นจะต้องไปวัดไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ป่าไม่จําเป็นจะต้องไปไหนขอให้ถึงขอให้เดินตามมรตมีองค์แป ร, pardon, รับรองถึงนิพพานได้เหมือนกัน เห็นตัวอย่างในสมัยพุทธกาลบางคนอยู่ในบ้านก็ไปนิพพานได้หญิงโสพินีอยู่ในซ่องก็ไปนิพพานได้ไม่จำเป็นต้องไปวัดไม่จำเป็นต้องไปอยู่ป่าเนี่ยสภาพของนิพพานมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่มีสิ่งใดผสมรวมเนี่ยเป็นสภาพของนิพพานและข้อปฏิบัติที่ดีทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ประชุมลงในมรรคมีองแปดนั้นความดีที่เราทาถ้าเราตั้งแล้วปรารถนา ขอให้ความดีที่เราทำนี้บุญกุศลเหล่านี้เราทำแล้วเป็นปัใจจัยให้ถึงนิพพานบุญกุศลคือความดีนั้นก็จะสั่งสมรวมกันเป็นพลังขององค์มรรคเราทำความดีเนะี่ยจะเป็นพลังขององค์มรรคเมื่อองค์มรรคนี้มีกำลังเต็มที่เราสั่งสมมาเต็มเปี่ยมแล้วก็จะสามารถประชุมกันเป็นองค์เดียวเรียกว่ามรรคสมังคีสามารถประหารกิเลสได้เนี่ย เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยมา 2,600 ปีเนะี่ยที่เร า, าจัดพิธีฉลองพุทธชยันตีคือฉลองชัยชนะของพระพุทธเจ้าคำว่าชยะก็แปลว่ารู้ก็มีคือรู้ตามความเป็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดเพราะเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็คือทำให้ชนะถ้าเรายังรู้ไม่แจ้งแทงไม่ตลอดเราไม่ชนะไม่ชนะ เหมือนกับเราสู้กับศัตรูถ้าเรายังไม่รู้จักเขายังไม่รู้กำลังของเขายังไม่รู้วิธีการของเขาเราก็ชนะไม่ได้เด็ดขาดชนะแล้วแพ้แพ้แล้วชน ะ, ะกิเลสก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่รู้สภาวะตัวมันอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะไม่ชนะมันได้ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าแพ้มากกว่าชนะเนี่ยอำนาจของกิเลสเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงชนะเด็ดขาดแล้วนะ ในบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายพระองค์จึงสามารถรู้แจ้งอริยสัจโดยแท้จริงว่าทุกสัจจะพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยสัจจะคือตัวตันหาพระองค์ละได้แล้วนิโรธาสัจจะพระองค์กระทำให้แจ้งแก่ใจแล้วมรรคสัจจะพระองค์ได้ดำเนินอบรมบ่มเพาะให้เต็มเปี่ยมแล้วนั้นพระองค์จึงว่าเป็นผู้ประเสริฐ และพระสาวกทั้งหลายอาริยาสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามและได้ถึงจุดหมายเหมือนพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าอาริยะด้วยแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะว่าได้รู้แจ้งแทงตลอดในอาริยสัจสี่คร 4, บบริบูรณ์ทั้ง4ี่อย่างคือกําหนดรู้ทุก์เหมือนพระพุทธเจ้ากําหนดละทุกได้เหมือนพระพุทธเจ้ากำหนดละสมุทัยได้เหมือน พ, พุทธเจ้าทําให้แจ้งซึ่งนิโรธได้เจริญมัต อบรมบม่มเพาะมักให้เกิดขึ้นเต็มกําลังเหมือนพระพุทธเจ้าได้จึงชื่อว่าเป็นอริยาสาวกคือผู้ฟังตามผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นแหะเป็นความจริงฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้เราก็ชื่อว่าอริยะด้วยเราเป็นธรมรมุษ ธ, ธรรมดาก็ชื่อว่าอริยะเหมือนกันนี่เป็นความจริงที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้คนสามารถดําเนินได้ไม่เลือกว่าจะเป็นพระเถรเนรชี ไม่เลือกว่าเป็นคารวะผู้ชายผู้หญิงไม่เลือกไม่เลือกเด็กไม่เลือกผู้ใหญ่สามารถปฏิบัติได้กำหนดรู้ได้ยิ่งใครปฏิบัติกำหนดรู้มากเท่าไรองค์แห่งมรรคก็จะเพิ่มพูนกำลังแห่งมรรคก็จะมีมากก็สามารถถึงจุดหมายปลายทางคือนิโรธได้ก่อนบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุในเรื่องของความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยฉะนั้นวันนี้ก็เวลาก็ล่วงมาบ่ายโมงเกือบครึ่งแล้ว ก็จะเหลือเวลาให้ทุกท่านสอบถามปัญหาบ้างเล็กน้อยก็จะจบพิธีการงั้นผมขอโอกาสถามสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับในองค์แห่งอริยมรรคน น, นิโรธเนี่ยการที่เราจะกําหนดรู้หรือว่าอยู่ในองค์ธรรมแห่งนิโรธเนี่ยมีลักษณะเช่นไรครับอาจารย์นิโรธตัวสภาวะนิโรธ คือนิพพานเนี่ยผู้เรีเจ้าแสดงสภาวะของนิพพานมีอย่างเดียวสันติลักษณะลักษณะที่สงบจากกิเลสและขันหานั้นคําว่าสงบจากกิเลสคือความปราถนาใดๆที่เป็นตัวกิเลสหรือความรุ่มร้อนใดๆของตัวกิเลสเนี่ยจะไม่มีสภาพนิพพานรวมอยู่ด้วยก็แสดงว่าถ้าใครยังมีกิเลสอยู่คนนั้นจะไม่ถึงนิพพานจะไม่รู้รสของนิพพานอย่างแท้จริง และสภาพของนนพพานไม่มีสภาพของขันห้าขันห้าในมีโรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราสามารถมองเห็นโรปด้วยตาได้ได้ยินเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกลิ้มรสด้วยล็ดกระทบสัมผัสด้วยกายนึกคิดถึงสิ่งนั้นด้วยใจได้แต่สภาพของนปพานนอกจากรูปนามขันห้าฉะนั้นเราจึง เห็นนิพพานด้วยตาไม่ได้ที่คนบอกว่าไปเมืองนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าในเมืองนิพพานแสดงว่าไม่จริงแล้วเพราะว่านิพพานไม่มีสภาพรูปนามขันห้าให้ได้เห็นด้วยตาได้ให้ได้ยินด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริ้มรดด้วยริ้นกระทบสัมผัสด้วยใจหรือคิดนึกเอาเองด้วยใจได้ต้องคนที่กระจ่างแจ้งรู้ด้วยจริงในการปฏิบัติถึงจริงแล้วก็จะรู้ด้วยจริงไม่ต้องไปที่ไหน นิพพานไม่ใช่เมืองแก้วเมืองสวรรค์ที่จะต้องไปด้วยยานพานะเป็นสภาพอารมณ์ที่เรารู้สึกได้นี่สภาพของนิพพานนั้นสภาพของนิพพานคือว่าสันติลักขณังอ่าเป็นสภาพที่สงบจากกิเลสและขันห้าและวัยพศของพระนิพพานก็มีมากมายที่บ่งบอกพระนิพพานเช่นคําว่ามะทนิมมะทนโนนิพพานเนี่ยบรรเทาความเมาเรานี่ยังเมาอยู่เมาในวัย เราจะวัยอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยที่แข็งแรงก็เมาในวัยเราเมาในชีวิตเราอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เมาที่ว่าเราจะชีวิตเราเป็นสาระแก่นสารที่จะยืนอยู่ยาวนานต่อไปอันที่ก็เมาในความไม่มีโรคนี่เรายังเมาอยู่แต่บุคคลที่ถึงนิพพานแล้วจะบรรเทาความเมาเหล่านี้เสียได้นิพพานชื่อวัตตูปเฉโทตัดเสียซึ่งวัตตะ วัตตะคือความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อบุคคลถึงนิพพานแล้วก็จะตัดได้นิพพานชื่อว่าตันหักขโยตัดตันหาหักตันหาทำลายตันหาให้สิ้นไปนิสภาพของพระนิพพานก็มีวัยพศมากมายแต่สรุปรวมแล้วนิพพานคือความดับซึ่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเป็นสภาพของนิพพานสาธุครับ